บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์ไว้ที่ผู้เจ้าทรงแสดงให้ผู้ปฏิบัติสังเกตเวลาตายรูปเป็นต้นว่ามีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าสังโยชน์ก็ไดข้อตามข้อใดก็ตามเกิดขึ้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงนึกแยกกลุ่มสังโยชน์หรือแม้จะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามถ้าหากว่าเป็นเรื่องของกิเลสก็จะมีคำสอนแนวเดียวกันคือให้พยายามลดละบรรเทาสงบความคิดเหล่านั้นออกไปทำได้รวดเร็วเท่าไหร่เป็นการดี จนถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตขึ้นมีปฏิกิริยาต่อกิเลสโดยอัตโนมัติแม้กิเลสจะเกิดขึ้นภายในใจก็ตกไปในขณะนั้นเพราะวจิตปฏิเสธหรือจิตมีภูมิมรั้นฐานต่ออำนาจของกิเลสสูงเพราะในวการปฏิบัติเทรีก็ภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตาม ก็มุ่งเสริมสร้างพลังในด้านจิตใจให้มีกำลังโดยอัตโบมัติในการ้จัดกิเลสเหล่านั้นเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของพระราหันทันจึงเรียกว่าเป็นผู้หักกรรมแห่งทั้งสาระจักรหมายความว่าท่านสามารถทำลายทั้งกิเลสและทั้งกรรมให้หมดสิ้นไป เป็นพละได้ถึงกิเลสแลทั้งบาป ท, ทั้งบุดแม้ท่านจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ในการเรีนรูปฟังเสียงยังสามัญชนทั่วไปแต่ใจท่านไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือเชื้อกิเลสภายในใจไม่มีแม้จะมีอารมณ์กระตุ้นให้เกิดกิเลสกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ สังเกตว่ามีอยู่ภายในจิตเราบางขณะจะเราเห็นรูปบางอย่างเราไม่รู้ว่ารูปอะไรเราจะไม่เกิดทั้งความรักความชังแต่จะอาจจะเกิดความสนใจความอยากรู้หรือเกิดความเครียดแรงสงสัยหรือบางทีรูปนั้นเราเกิดความรู้ความเข้าใจย่างท่องแท้ในสิ่งนั้น เราก็ไม่เกิดความรักความสั่งอะไรจะมีอการต่างๆเกิดขึ้นไปนั้นมากต้นสาธาชนก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวหล่านั้นแต่ใจเราก็ไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายแสดงว่าที่เป็นฉะนนั้นเพราะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องดอกนั้นบางคราวัางคราวก็มองเห็นในแง่ของกติธรรมดาก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา ปัญญาก็เกิดขึ้นกำกับจิตในขณะนั้นๆก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดเป็นกามราคะให้เกิดเป็นโทสะด้วยให้เกิดเป็นกิเลส ป, ประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นมาจะยกตัวอย่างในกรณีของเกิดแก่ตายหรือแก่เจ็บตายตลอดกาพลพรากเดี๋ยวเรามาเจริญในแนวของอภินาปเจเวกขณะ ในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละเดือนเราได้ยินฟังข่าวคราวเรื่องนี้อยู่ตลอดบางครั้งคนแก่คนเจ็บคนตายและคนบนาดพากนั้นก็คือคนใกล้ชิดเา่าหรือบางทีก็เป็นเรื่องของเราเองแต่คนใดที่เข้าถึงกติธรรมดาก็จะไม่เดือดร้อนเพราะปรากฏการธรรมชาติเหล่านั้นแต่จะมองเห็นในแง่ของธรรมดายูเจ้าทรงสอนและพิจารณาว่า เอวังธรรมโมคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอวังภาวีสภาวะมันเป็นอย่างนั้นเอวังอนาติโตไม่มีใครจะร่งพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ตัวปัญญาคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเองซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็คุ้มครองใจคนออกไปกลายเป็นภูมิต้นทานกระแสะของกิเลสกระแสะของอารมณ์จนถึงกระจัด ความรู้สึกในทำนองกิเลสอารมณ์ให้ออกไปจากใจเธอกวหมายความในขณะนั้นเราก็ไกลจากกิเลสอย่น้อยในขณะนั้นเราก็หักกิเลสได้ซึ่งแสดงว่าคุณสมบัติเหล่านี้เราสามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่เป็นการถาวรอย่างพรานทั้งหลาย เมื่อจิตหลุดพ้นจากอำนาจจิตกิเลสท่านก็ยอมรับว่าเป็น ท, ทังกับวิมุตต์คือหลุดพ้นกิเลสโดยองค์นั้นๆโดยอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆอาจจะนานหลายชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันหรืออาจจะหลายเดือนแต่คงไม่หลายปีไปยังไงไงเราก็ไม่ได้มีความมั่นคงจนถึงกับไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าคุณภาพของจิตก็มีความไป น, นิ่งขึ้นมีความสูงขึ้น หือแม้บางครั้งบางคราวเราก็ประสบกับเหตุการณ์ก็ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกกลางๆประสบผลกรรมทั้งด้านดีและด้านไม่ดีหรือคนที่เราชอบประสบผลกรรมด้านดีและด้านไม่ดีหรือคนที่เราชังประสบผลกรรมในลักษณะเดียวกัน ในจุดนี้ถ้าหากพอปัญญารู้เห็นทำความเป็นจริงเกิดขึ้นเราก็มองในแก่ของกลางก็ถือว่าเมื่อเขาทำดีก็ควรจะได้ดีก็าทำชั่วก็ควรจะได้ชั่วแต่ความรู้สึกกับคนที่เรารักเราชังนั้นพลังของปัญญาจะต้องมีกำลังมากซึ่งวันนี้พึงสังเกตว่าธรรมะปฏิบัตินั้นบางคราวเนี่ยเราสามารถชี้แจงอธิบายแก่คนอื่นได้ แล้วคุณอื่นเกิดปัญหาเราก็แก้ได้แต่พอปัญหาเรานั้นเกิดแก่เราปรากฏว่าเราแก้ไม่ได้ที่โบราณท่านพูดว่าเรื่องผมเข้าตามันดูแล้วน่าจะแก้ได้แต่มันแก้ไม่ได้ทัานย้ำใดที่ใจเราไปผูกพันโดยน่าความรักความชังถ้าเกิดผลกรรมแก่คนที่เรารักเราชัง หากปริมาณปัญญาไม่มีกำลังมากพอเราจะทำใจได้ยากเพราะไรถ้าหากว่าเป็นกรรมดีเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักเราสามารถเะมมติตาได้ง่ายแต่พอกรรมผลกรรมไม่ดีเกิดขึ้นที่เราแก่คนที่เรารักเราทำอุเบกขาได้ยากเพราะไรเพราะความห่วงใยความมิตร ก, กังวลความเยื่อใยความชินีหาความผูกพัน ซึ่งคนนี้ท่านสาชนทหลาจะสังเกตได้ว่าลักษณะของธรรมะกับกิเลสนั้นบางทีก็ใกล้กันมากเช่นอะไรเช่นความรักกับศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในใจของคนนั้นบางทีเราแยกไม่ออกว่าตัวเนี้ยคือรักหรือว่าศรัทธาแม้แต่คนที่เข้าฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงความยอกแกล้งทัือศรัทธาในพระพุทธเจ้า บางกบ็บางทีก็ติดที่พระรูปของพระองค์แสดงว่าในความศรัทธานั้นมีการมาราคะเจืออยู่มากแทนที่จะติดอยู่ที่ธรรมะมันก็ติดอยู่ที่พระพุทธสรีระลักษณะเหล่านี้มีแม้ในพุ้ตระเรียที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามีความพอใจติดใจใน พ, พุทธสริระของพระองค์ แต่ถ้าหากว่าเรามองแยกแยกแล้วเราจะเห็นว่าศรัทธานั้นจะเกิดในคุณธรรมในความรู้สึกดีงามแต่ว่าความรักนั้นจะเกิดในรูปวัตถุธรรมเช่นคนที่สนใจให้ความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่พระทั้งหลายพระญาสงหรือว่าพระทั่วๆไปก็ตามท่านจำแนกว่เป็นสี่ประเภท เปิดแรกเรียกว่ารูปะประมาณิกาคือให้ความสําคัญเกตรูปคนนี้รูปสวยรูปงามรูปสงาแล้วก็ให้ความสนใจใส่ใจจิตใจบางครั้งบางครั้งก็ให้ความสําคัญเกตุเสียงคนนี้เสียงไพเราะน่าฟังสนอะหูสบายหูสบายใจปฏิดใจในเสียงบางคนก็ธรรมะประมาณิกาคือติดใจในธรรมะไม่ได้สนใจว่าใครเป็นคนเทศใครเป็นคนสอนจะคือว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม หรือ บ, บางคนก็สนใจในความเรียบง่ายต่เรียกว่ารูปภบประมาณิกาคือความสมองต่ว่าเรากำหนดแยกดูว่าความรู้สึกสี่กระแสนี้มันหนักไปทางราคะอยู่สองกระแสคือการให้ความต้องกัรแกร่รูปกับการให้ความต้องกัรแกร่เสียงหนกักไปทางศรทาจริงๆอยู่สองกระแสก็คือที่ให้ความต้องการแกร่ธรรมะก็ให้ความต้องการแกร่ความสงมองความเรียบง่าย เพราะอาการแกว่งของจิตเนี่ยจะทำให้บางครั้งเราใช้ธรรมได้ยากเพราะฉะนันบวคคนที่เราไม่ชอบเกิดประสบผลกรรมถ้าเขาประสบผลกรรมดีมีความสมัยมีความเจริญก้าวหน้าเรามุติทตาได้ยากมากๆคือไม่ใช่ยากธรรมดาแต่ยากมากๆแม้จะทำใจวางเฉยก็ทำได้ยาก ทัเพราะอะไรตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความแข่งดีความมิสยาความเสนีซึ่งเป็นอุปกรณ์กิเลสก็จะเกิดขึ้นมาจะก่อนบางทีเราก็ตั้งหลักได้บางทีก็ตั้งหลักไม่ได้ปัจจุกิเลสตัว น, นี้เกิดขึ้นครอบงำใจในตรงนี้แทนที่จะอย่างน้อยก็เฉยๆไว้มันเฉยไม่ได้ถ้าตามปกติแล้วต้องมุจจา แต่บุติตาทำได้ยากเราก็เฉยเฉยเอาไว้เฉยก็ไม่ได้มุติตาก็ไม่ได้ธรรมะมันก็เดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะพลังกิเลส ท, ที่มันอยู่ภายในใจเป็นพวกความแข็งดีเห็นคนอื่นได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้ยิ่งคนที่เราไม่ชอบได้ดีแล้วไปใหญ่บางครั้งก็กลายเป็นความลิษยาอางฆาตซึ่งก็งงนี้เราสังเกตว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาบางทีนี่ปัญหาใหญ่ๆเป็นสงครามขนาดใหญ่ๆ แม้เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้แม้การที่กรุงราเชเครืย์ยกกองทัพไปตีแคว้นวัชีสมัยพระเจ้าชา ต, าสติสัตว์รูถ้าเราสาวไปถึงลึกๆมันก็เกิดจากความเหนี่ยดนึกของพระเจ้าชาติสัตว์รูที่ท่านเข้าใจว่าสมบัติในชมพูทวีปนั้นของท่านในยิ่งใหญ่ที่สุดมากที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดมีค่าที่สุดที่สุดที่สุ ด, สดมันก็อยู่ที่ท่านทางนั้น ตอนนี้เพราะว่าท่านไม่เคยไปเที่ยวไหนไกลๆท่านก็เห็นเฉพาะในบ้านในเมืองของท่านก็ตามลักษณะที่เราพูดกันว่ากลบนกเกิดอยู่ในสะจ้อยปเป็นทะเลไกลกลางสมุทรคิดว่าน้ําบ่อ น, น้อยมากล้ําลึกตื้อแน่นเด็กแต่เมื่อพื่อมาทูลว่าสมบัติของพระองค์นั้นจะจัดเป็นสมบัติอะไรเมือเทียบเคียงกับแคว้นวชีในเมืองไพรสาลีหรือเวสาลีแล้วมันกเทียบเคียงกันไม่ได้ สมบัติเขามากกว่าดีกว่าคนเขาบางครั้งกว่าความสุขความสงบก็ดีกว่าอะไรแต่อะไรก็ว่ากว่าเท่านั้นความรู้สึกแข็งดีเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วรู้สึกสนีในความดีงามที่พวกวชีบุตรพวกกษัตริย์ลิจวีเขาได้จึงเกิดเกลายเป็นความลิษยาอย่างที่บอกไปแล้ ว, วลักษณะของความริษยานั้นคือโลภะที่ประสมกับโทสะ โลภะในสิ่งที่เขาได้แต่พอดีเราไม่ได้คนอื่นเขาได้เราเกิดโทสะคือเกิดโกรธในคนที่ได้แล้วก็กลายเป็นอาการไล่ล่ า, ลาทั้งทั้ที่คนเหล่านั้นไม่ผิดอะไรแต่ว่าเขาผิดที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากมีเกียรติยศมากมีตานะมากจากจุตนิสัยนั่นเองก็นำไปสู่ การวางแขนที่จะยึดครองแคว้นวัชิเพื่อคนที่ตนไม่ชอบมาบังคับใช้เป็นลูกน้องเป็นทาสเพื่อทรัพย์สมบัติที่ตนอยากได้มารบนปลือตอนเองกระบวนการทางจิตมันก็มาจากความแข็งดีกลายเป็นความจตน์คือหวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของของเราก็ทําให้เกิดเป็นริษยา ลักษณะาาการกิเลสเหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาในการที่จะยับยั้งชั่งใจในการที่จะบรรเทาความรักความชังเมื่อผลกรรมเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักแล้วคนที่เราชังสำหรับคนที่เราชังนั้นยิ่งเขาได้ดีแล้วเนี่ยเราจะมุติตาได้ยากหรืออุบเบกขาก็ได้ยากเพราะอาการริษยาตุนีแล้วก็แข็งดีเนี่ยก็มีกําลังมาก พอเขาได้ประสบความเดือดร้อนเพราะกรรมของเขาแทนที่จะวางเฉยให้เป็นไปตามกรรมในความรู้สึกเขาเป็นไปตามกรรมมันรู้สึกไม่สะใจแต่งจะกลับรู้สึกดีใจอีกคนซึ่งเป็นสตูเราประสบความบาทบกต์ความเดือดร้อนแล้วก็อาจจะสาบส่งอาจจะแช่งส่งไปเลยมันอาจจะตายตั้งนานแล้วอะไรต่ออไนี้ จะเห็นว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการผิดปกติของจิตคือแสดงว่าจิตไม่พร้อมที่จะทำให้ใจซึงหหมายความว่าอยังไงหมายความว่าราไกลจากกิเลสระดับนี้ได้ยากแต่ไม่จะทาไม่ได้เลยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าคนเรารักเรารักไม่มากถ้าคนที่เราชังเราชังไม่มากเนี่ยสามารถจะปรับใจได้ เวลาเขประสบผลกรรมในทางที่มีความเจริญก็ได้เราก็มุทิตากับเขาได้เวลาประสบผลกรรมในทางที่ไม่ดีเราก็อุเบกขาได้เพราะอะไรเพราะว่าความรักไม่มากความชังไม่มากทำให้เหตุผลสติปัญญาไม่มากพอที่จะบีบิ้นไชสภาพจิตในขณะนั้ น, น, นคล้ายๆกับเราอยู่ในที่ไม่ถึงก็มืดตึ๊ดตือแต่ว่ามันก็สว่างพอสมควรที่จะมองเห็นอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้จะหยิบจะฉวยจะหลบจะหลีกอะไรก็ทําได้ ก็ทำให้การปฏิบัตธิธรรมในจุดนี้มีความสะดวกมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นคําว่าอารหังในความหมายว่าเป็นผู้ไม่ยอมไม่ทำบาปทั้งในที่รับและก็ในที่แจง้งเป็นอาการของจิตใจที่มีสติสมัชัญ ญ, ญสมบูรณ์นั้นคือพระอาราหังหมายความยังไงหมายความว่า ก, กิเลส ข, ของท่านนั้นได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ท่านไม่กระทำบาปแม้ด้วยความคิดที่เป็นบาปถ้าเราดูเราเองว่าลักษณะอย่างนี้มันมีอยู่ไม่น้อยเลยที่เราทำได้บางครั้งความคิดไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นเราก็ข่มใจข้านใจเอาไว้ว่าความคิดเช่นนี้เป็นของไม่ควรสำหรับเรามาความมาถ้าเป็นชั้นศีลมันก็เดินเข้าสู่จิตอย่างที่เคยยกตัอย่างเรื่องกุศลกรรมบท เวลาเดินเข้าสู่จิตจริงๆในเกี่ยวกับชีวิตของคนนอกจากจะไม่ทำปานาทิบาตแล้วยังไม่มีความพอใจยินดีในความตายของบุคคลตนนั้นความเดือดร้อนของบุคคลตนนั้นแต่แง่ของทรัพย์สินไม่มีความคิดแม้แต่อยากได้ในแง่ของกามเม์ไม่มีความคิดแม้ในทางเพศ ที่ต้องการจะเกี่ยวข้องผูกพันกับคนเหล่านั้นด้วยอํนานาจของความใคร่โดยไม่ได้ดูเหตุดูผลในการสนทนาปราสัยกันก็ไม่มีแม้ในความคิดที่จะพูดเถิดถ้าพูดไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรก็ตามก็ไม่พูดนั้นแสดงเห็นถึงพลังสติสัมปชัญญะที่เขามีกําลังในด้านของสุรานอกจากไม่ดื่มสุราแล้วก็พยายามเสริมสร้างเรื่องสติให้สูงขึ้น มีสติเป็นเครึ่องอยู่เป็นหลักของใจใจคนที่เป็นเชนนี้มันไม่ทําบาปโดยอัตโนมัติเองเพราะอะไรเพราะใจมันเหนือบาปมันก็มีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เดินไปในตลาดจําหน่ายข้าของเด็กๆอีทัศการแสดงตุ๊กตารถน้อยน้อยเลือน้อยน้อยอะไรของต่างๆมากม า, กายไกลกองเราไม่มีลูกมีหลานอะไร เดินไปท่างกลางสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ดูโดยซ้าไปหรือถ้าดูก็ดูในแง่ของความเป็นศินลปะความฉลาดงานฝีมือของช่างเหล่านั้นในแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติได้ต่างๆที่เข้ามาทำก็แสดงว่าแทนที่จะมองด้วยปัญญามันเป็นการมองด้วยด้วยแทนที่จะเป็นการมองด้วยกิเลสเป็นการมองด้วยปัญญามองในแง่ของศิลปะมาในแง่ของงานฝีมือ แต่ไม่ถึงก็อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าใจมันยกอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นไปแล้วทำให้สถานะของคน น, นั้นเป็นผู้น่าไหวหน่ากราบน่าบูชาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระอะไรเพราะจิงโดยเนื้อหาโดยความหมายแล้วเนี่ยท่านหมายถึงการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติมตสมควรได้ก็ควรไหวคนบูชา ย่งท่านจิตตะเครือบดีซึ่งท่านก็เป็นชาวบ้านแต่ว่าเป็นพระราคามีบุคคลไปที่ไหนนั้นมีคนต้อนรับอย่างดีทุกสึ่งทุกอย่างนั้นคนจะนำมาบริการท่านเรือปราหารที่อยู่ที่อาศัยแต่คนดำก็ถือว่ามีเกียรติที่ได้ที่ได้ให้แก่ท่านจิตตะเครือบดีหรือแม้แต่ทนนาตบินที่กเกษฐีดังวิสาขา ท่นไปที่ไหนท่านอยู่ในที่ไหนก็คนหรือว่าเป็นสิริมงคลได้เห็นก็เป็นสิริมงคลเข้าไปบ้านไปเหยียบพื้นที่ในบ้านก็เป็นสิริมงคลแก่ ค, คนเหล่านั้นก็คุยด้วยก็จะเป็นสิริมงคลนั้นแสดงใ ห, ให้ให้ถึงความดีที่สะท้อนออกมาแล้วก็เป็นที่ประจักแก่ใจของคนท่านใดทําให้คนเกิดศ ร, รัทธาภาษาธาลืมใสในตัวของท่านเ่านั้นโดยไม่ได้คํานึงถึงเพศ ข, ของท่าน ไม่คำนึงว่าท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่คิดเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่เขาคิดเรื่องดีไม่ดีควรไหว้ควรเค า, ารพสกสารบูชาหรือไม่ปั้นต้นสายชนทางหลาจะเห็นว่าพอเรามองสายสูงแล้วจะเห็นได้ชัดเลว่าพระรหันธ์ท่านก็มีทั้งภิกษุภิกษุมีสา ม, มาเนสสั ม, มาเนรีนางติขมานามก็มีหมดโดยเฉพาะสา ม, มาเนสกับสามมาเนรีนั้นเป็นเด็กๆพระหันธ์เด็กๆ พระทัพมารบุตรเป็นพระหันอายุเจ็ดขวบสาเนนโรเรวัตก็เป็นพระหันอายุเจ็ดขวบพระสังกิตพระอาชิมุตต์อะไรต่างๆพระเจ้าก็ให้บวุตรอายุเจ็ดขวบแต่จริงท่านก็คือพระอาหารหันต์นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าพอจิตใจมันก้าวไปอยู่ในจุดนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเขาไม่ได้ใส่ใจ ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะจริงๆท่านได้ถ่ายถอนความเป็นหญิงเป็นชายออกไปจากใจของท่านในแง่ของธรรมะนะฮะในแง่ของวินยัยในแง่ของสงัคงคมข่มโลกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าต้นบัญญัติที่เกี่ยวกับพระอยู่ในที่รับตาก็ผู้หญิงสองต่อสองที่เป็นปนัญหาทางวินยัยต้นบัญญัติจริงๆเป็นพระอนุรุตซึ่งเป็นพระอระหรันต์ถ้าเดินทางกลับจากกรุงก บ, บิลพั์ไปเยี่ยมญาติ แล้วก็แวะพักในระหว่างทางทจริงๆเขก็พักจัดที่พักให้ท่านต่างหากแล้วตกกลงคืนเนี่ยจะของบ้านเข้าไปหาท่านแล้วสยส่ความเป็นพระหันของท่านท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นคนเหล่านั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วสึกละอายแก่ใจข อ, อกระหมาโทษท่านแต่มองอีกภาพหนึ่งว่าท่านตรงนั้นไม่ใช่พระอนุรุตอะไรจะเกิดขึ้นความเจือเสียต่างๆก็จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็สรงบัญ ญ, ญัติ พระวินัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ดังนั้นในแง่ของใจเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าตรงนั้นคือพระอนุรุตท่านเป็นพระหัน์ผู้หญิงเข้าไปในห้องของท่านกลางคืนใช้วิธีการต่างๆทุกวิธีท่านก็นั่งอย่างที่ท่านนั่นจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าถูกนางตัะหาราคารตียุ่ยยุ่ยพรเจ้ากับพระรานั่งอย่างนั้นเอง การยัวนก็ยัวนคือเรื่องของการย้วยวนแต่ว่าจิตใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีเชื้ออยู่เนี่นั่นจะไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับเอามาด็ดพันธุ์ประกาศไปวางบนปลายเหล็กแหลมมันวางไม่ติดมันหล่นหรือเหมือนกยาดน้ําที่ตกลงไปบนใบบวัวมันไม่ซึมแล้วในสุดก็จะกลิ้งกลับออกไปนั่นคือจิตที่เข้าถึงอุดมการณ์จริงๆ แต่ว่าการปฏิบัติอย่างสามัญชนเราท่านทั่วๆไปนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าแม่สังโยชน์จะเกิดมันก็คือเกิดแต่ว่าทำอย่างไร ใ, ให้อยู่ภายในจิตน้อยที่สุดตกไปจากจิตได้เร็วเท่าไหร่ก็เป็นการดีแต่แนวที่ทรงสอนเป็นแนวหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการรบทับจับศึกทรงแสดงว่า เวลามันมันจะเกิดขึ้นตาเห็นรูปก็คงต้องเห็นเยอะนั้นเองถ่ายรูปเป็นต้นก็คงต้องเห็นอย่างนั้นเองแต่ปัญหาว่าถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นประการต่อไปก็คืออย่ารับเจ็นมีอารมณ์ยั่วยุยั่วยวนในวิธีการต่างๆก็คืออย่ารับรู้ไม่ใส่ใจไม่สนใจก็แล้วแต่จะคิดช่างเขาเถอะไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกัรบเราปล่อยก็ทําไปก็แล้วแต่จะคิดคือทํำยังไงอย่าดึงมาสู่ความเป็นเรา อย่าไปคิดว่าเขากำลังด่าเราเขาก็บังดูหมิ่นเราเขาก็บังสบประมาทเราเขากำลังนินทาเราเขากำลังชี้หน้าด่าเราเราไม่เอาเราก็ไปบวชเขาก็คือเขาเราก็คือเราก็ทํำยังไงก็คือเขาทําเราก็อยู่อย่างที่ที่เราอยู่ซึ่งลักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับอาการของพระนรุตพระพุตธจ้าจะยกตัวอย่างไว้แต่ลือวันนั้นเชื่อภายในไม่มีแต่เราก็เชื้อภายในเรามีเพียงแต่ว่า ให้ใจิตใจมันมีความกล้ากแข็งคืออย่าให้ช่วงของกิเลสนั้นครอบงำใจนานเกินไปทีนี้ถ้าจำเป็นเกิดรับไว้ก็สงสัอย่าอุ้มไว้หมายความว่าอย่าเอามาปรุงต่ออย่าเอามาคิดต่อก็หยุดอยู่ตรง น, นั้นหยุดอยู่เท่านั้นแค่รับอย่ามาปรุงต่อทีนี้ถ้ารับก็อย่าอุ้มแต่อุ้มไว้ก็อย่า เพิ่มความรุนแรงที่ตรงใช้คําว่าอย่าบังหวนขวัญหมายความออกมาคิดเออวันก่อนเขาก็ทำอย่างนี้นะญาติพี่น้องเขาเคยดูหมิ่นเราอย่างนี้วันก่อนเขาขับรถเฉียวเราวันก่อนก็มองเราด้วยความดูหมิ่นอะไรต่อะไรเนี่ยปรุงยุ่งไปหมดเลยทั้งๆที่ว่าอารมณ์อะ้รนเกิดมานานแล้วสมมติว่าเกิดจริงก็เกิดมานานแล้ ว, านาน แ, ลวแล้วจริงมันก็ตายแล้วเลยเป็นเรื่องของอดีตแต่เราก็มาปรุงที่ตรงใช้คำว่าบังวนขวัญ ทีนีสมมติเราเกิดเผลอไปบังหวนควันเข้าไปปรุงคิดคิดปรุงแล้วด้วยประการต่างๆจนจิตใจชักจะไม่ได้เรื่องแล้วก็ส่งสอนว่ายังไงยั ง, ยงยยไงก็อย่าให้มันรุนแรงคืออย่าลุกเป็นไฟถ้าลุกเป็นไฟมันก็แลบออกมาทางตาอาการต่างตาก็น่ากลัวออกมาทางปากก็น่ากลัวออกมาทางกายก็น่ากลัวโอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ทํำยังไงว่าหยุดเสียได้ตอนใดตอนหนึ่ง ซึ่งทำ น, นองแบบไฟที่ท่านพูดว่าตัดไฟแต่ต้นลมไม่ได้ซึ่งกหมายความจริงไฟมันก็ไหม้แล้วแต่ว่าทํำยังไงว่าตัดตรงนั้นให้ได้อย่ามันลุกลามไหม้นานจนเกินไปก็ทํา น, นองก็ไฟที่ไหม้ห้วยขาแข่งระยะใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไหม้แล้วนะแต่ว่าทํำยังไงว่าให้มันไหม้น้อยที่สุดท่าจะไม่ได้ก็ปรากฏว่า ลมป่าไม้สามารถจะหยุดไปได้เมื่อมันไหม้ไปประมาณสักหมื่นไร่แน่นอนหมื่นไร่มันก็เยอะแต่ถ้าเราดับไม่ได้เนี่ยอาจเป็นแสนไร่หรืออาจจะทั้งหมดในส่วนเสียก็เสียไปแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบอัตราถุนมันก็เสียน้อยหน่อยผลการปฏิบัติธรรมาบางอย่างมันก็อยู่ระดับนี้หรือทํายังไงอย่าให้มันมันแรงเกินไป กิเลสเกิดขึ้นภายในใจในขณะใดก็ดับได้ในขณะนั้นก็ดีสมมติว่าดับไม่ได้เช่นความโกรธคุณสังเกตว่าความโกรธผู้จะเรียงไว้เป็นระดับความไม่ยินดีความไม่ชอบใจความไม่พอใจความหงุดหงิดความงุ่นง่านความรำคาญความโกรธความประทุษร้ายความอาฆาตความพยาบาทเราเห็นว่าพวกอาฆาตพยาบาทพวกผูกโกรธพวกอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันตกค้างภายในใจ นานหลายปียังไม่สงบระงรับสักทีหนึ่งวันทีคนที่เราโกรธนั้นมันตายไปแล้วย้ายความโกรธมาอยู่ที่ลูกบางทีก็ไปโกรธที่หลงฝังศพ บ, บางทีก็ไปโกรธที่เชิงตะกอได้ฝังอยู่ที่ไหนก็ไปทุบป้ายบางทีก็ไปทื่อที่หลงฝังศพนั้นแสดงถึงอาการเนี่ยมันผิดปกติของความอาฆาตมาตราย เป็ น, อ า, นอาการผูกโกรธเป็นอาการของพยาบาทเป็นอาการของความอาคตาก็กลายเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าจองเวรเมื่อเราจองเวรเขาได้เนี่ยเขาก็จองเวรเราได้มันก็กลายเป็นกรงเวรกรงกรรมที่ท่านเรียกว่าเป็นเวลานเวนคือจองกันแล้วจองกันอีกในที่สุดมันก็หาข้าอยุติไม่ได้ก็ทํางมองกับพระเทวทัตกับพระเจ้านั้นก็เป็นแบบของชีวิตที่เราจะเห็นว่าพระเทวนัตั้นท่านไม่เลิกโกรธสักทีนึง แต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่เคยโกรธแล้วก็ท่านก็ไม่ผูกโกรธเพราะไม่มีโกรธให้ผูกเนื่องจากท่านไม่เคยโกรธการกระทำของพระเทวทัตก็ทําไปทําไปพระโพธิสัตว์ท่านก็ปล่อยทําไปหลบได้ท่านก็หลบไปเรามองดูว่าคนสองคนที่เริ่มต้นมาจากการเป็นพ่อค้าลูกปัดด้วยกันแต่คนหนึ่งมีกิเลสเก็บไว้เยอะเลยมีความมักคาดพยาบาทจองเวรต้องการจะทําลายล้างแก้แค้นในใดเรื่องมนุษตสกีภพกิจชาติแล้วนะครับ ยังมีสะสมอยูภายในใจชาติสุดท้ายคนหนึ่งตกนรกอเวจีคนหนึ่งบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ น, นั่นคืออะไรนั้นคืออาการของกิเลสกับอาการของธรรมะที่มีความต่อเนื่องใครหนึ่งเพิ่มธรรมะขึ้นเรื่อยจนเป็นปรมาธบ ร, รมีจนได้ศรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเพิ่มกิเลสขึ้นเรื่อยทําอะไรก็รุนแรงมาโดยลำดับแต่ไม่แรงขนาดเป็นอนันตฤกษ์กั เล่นที่แรงจนกลายเป็นนันตะเรกามตั้งสอย่างเป็นการทําสังขเพศเป็นการทําโลหิตตุประบาดนะฮะหรที่เรียกจริง ก, งก็สองอย่างเนี่ยนะซึ่งก็หมายความว่าปริมาณกิเลสมันเพิ่มขึ้นมากๆและความคิดการกระทําองท่านก็รุนแรงขึ้นมากๆนั้นเราดูเห็นเป็นช่วงยาวแม้แต่ช่วงสั้นๆมันก็เหมือนกัน ตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป